พวกเราทุกคนที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้มีความปรารถนามีความต้องการเหมือนกันทั้งนั้นก็คือมีความปรารถนามีความต้องการความสุขความเจริญในแต่ละวันของชีวิตของพวกเรา เราก็ใช้ไปกับการสร้างความสุขสร้างความเจริญกันหาความสุขหาความเจริญกันแต่ความสุขความเจริญที่พวกเรากำลังหากันอยู่นี้เป็นความสุขความเจริญชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นความสุขความเจริญที่ไม่ถาวร มีความสุขที่มีความสุขความเจริญที่ถาวรที่พวกเราไม่รู้จักกันเราจะมารู้จักความสุขความเจริญที่ถาวรก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่เป็นผู้ค้นพบความสุขความเจริญที่ถาวรเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงพาอจะอยู่กับเราไปตลอดความสุขความเจริญชั่วคราวที่พวกเราหากันอยู่จากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกิน ล, ลดโพธภิภพ จะเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปเมื่อร่างกายเราตายไปความสุขความเจริญเหล่านี้เราจะไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้แต่ความสุขความเจริญที่ถาวรที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ส่งค้นพบนี้ จะเป็นความสุขความเจริญที่เอาติดตัวไปกับเราได้เราเป็นใจเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายรับใช้ใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปหาความสุขความเจริญต่างๆ แต่ใจไม่รู้ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่ถาวร น, นั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนรู้แต่ความสุขความเจริญชั่วคราวความสุขความเจริญป้อมพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปนี่คือความสุขสองรูปแบบที่มีอยู่ในโลกนี้ ความสุขชั่วคราวความสัต์ความเจริญชั่วคราวความสุขที่ถาวรความเจริญที่ถาวรความสุขชั่วคราวความเจริญชั่วคราวก็คือความสุขความเจริญในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นี่เองทุกวันนี้เราหา ลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายกันลาบก็คือก้าวของเงินทองต่างๆสมบัติต่างๆอันนี้เราหาพอเราหาเงินทองมาได้เราก็มีความสุขกันเราก็คิดว่าเราจะเลินขึ้นจากคนที่มีเงินหมื่นมาเป็นเงินแสน เราก็จะรู้สึกว่าเราจเจริญก้าวหน้าฐานะการเงินการทองดีขึ้นความสุขที่ได้รับจากการมีเงินมีทองก็มีมากขึ้นสามารถไปซื้ออะไรต่างๆได้มากขึ้นแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเงินทองที่เราได้มาพอเราใช้ไป เราก็ได้ความสุขจากการใช้เงินทองนั้นพอใช้เสร็จความสุขนั้นมันก็หมดไปเราก็ต้องใช้ใหม่ต้องซื้อของใหม่ต้องใช้กันอยู่เรื่อยๆต้องหาเงินทองกันอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเกิดการสะดุดในการหาเงินทองความสุขความเจริญก็จะเสื่อมลงได้ จากการมีเงินล้านก็อาจจะ ก, กลับมามีเงินแสนความสุขที่ได้จากเงินล้านกับเงินแสนมันก็ต่างกันนี่คือความสุขจากลาบส่วนยศก็คือตำแหน่งต่างๆพวกเราทุกคนนี้มองไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าที่เรามีอยู่กันแควี่คว้าเอาตำแหน่งกัน ทำงานไม่ว่าจะทางราชการหรือทางเอกชนเขาก็มีตำแหน่งต่างๆมาล่อใจให้เรามีความขยันทำงานทำการกันพอเรามีความขยันเขาก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เราเป็นถ้าเป็นข้าราชการทหารก็มียศให้ไต่เต้ า, ตากัน จากในสิบไปเป็นในร้อยจากในร้อยเป็นในพันจากในพันไปเป็นในพลในหมื่นอันนี้ก็เรียกว่ายศเวลาที่เราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเราก็สูขกันเลี้ยงฉลองกันเลี้ยงฉลองตำแหน่งกันแต่ตำแหน่งนี้มันก็มีแค่ชั่วคราวพออายุหกสิบพอพ้นจากตำแหน่ง พ้นจากงานที่ทำยศเหล่านี้ก็หมดไปมีแต่ชื่อของยศอยู่เขายังให้เรียกตัวเองว่าเป็นนายพลนายอะไรอยู่แต่อำนาจที่ติดมากับยศติดมากับตำแหน่งนั้นมันก็หมดไปกลายเป็นของคนอื่นไปคนที่กเกษียณอายุนี่จะ มีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับคนที่ยังทำงานอยู่ความสุขความรู้สึกต่างกันคนที่กเกษียณอายุแล้วนี่จะมีความรู้สึกว่าความสุขที่เคยมีนี่มันน้อยลงไปเสื่อมลงส่วนสรรเสริญก็คือรางวี่รางวัลต่างๆที่เราได้รับกันจากการทำงานทำการหรือจากการกระทำ ความดีต่างๆหรือจากการมีความรู้ความสามารถในการกระทาต่างๆก็จะได้รับรางวัลโล่ทองคำบ้างเหรียญทองบ้างประกาศนียบัตรบ้างได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์บ้างแบบนี้ก็เรียกว่าความสุขที่เราได้จากาสรรเสริญ ส่วนความสุขที่เราได้รับจากการเสพสัมผัสกับกามคุณทั้งห้าก็คืดรูปเสียงกลิ่นรสผทพะเราก็เสพกันอยู่ทุกวันตาเราก็หารูปดูผู้เราก็หาเสียงฟังดินเราก็หารสมาสัมผัสจมูกเราก็หากลิ่นร่างกายของเราก็หาสัมผัสผุพทพะ หนาวเย็นหนาวร้อนหรือนุ่มแข็งเวลาเราได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพะ ท, ที่ถูกอกถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่มันเป็นความสุขแบบควันไฟเวลาได้สัมผัสมันก็เกิดความสุขเวลาไม่ได้สัมผัสความสุขนั้นก็จะจางหายไป ปล่อยให้เราต้องรู้สึกว่าเวต้องหามันมาเติมอยู่เรื่อยๆเราถ้าหาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละนี่คือความสุขชั่วคราวแล้วเราก็หาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไปจนกว่าร่างกายเราจะ หมดกำลังไม่สามารถที่จะหาได้ต่อไปเช่นเวลาตายไปความสุขต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไปความสุขเหล่านี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเงินทองที่เขาใส่ไว้ในโลงศพนี้เดี๋ยวสับปเปลอก็มาเอาไปใช้ไปซื้อเหล้ากิน ไม่มีอะไรเราติดตัวไปได้ความสุขความเจริญทางโลกทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลเสพธธแต่ก็เป็นความสุขชนิดเดียวที่ชาวโลกรู้จักกันไม่มีใครรู้จักความสุขที่จีรังถาวรความสุขความเจริญที่แท้จริงนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า มาตัดสู้มาค้นพบความสุขที่แท้จริงที่จรังถาวรที่สามารถเอาติดไปกับใจได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพวกเราที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงถือว่าเป็นผู้มีโชควาสนาอย่างมหาศาลและยิ่งมีศรัทธาต่อคำสั่งคำสอน ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งมีโชคมีวาสนามากยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าเพราะถ้ามาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแต่ไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดความเชื่อไม่เกิดการปฏิบัติตามคำสอนถึงแม้ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกับไก่ที่ได้พบเพชรพลอย ไก่ได้เพชรได้พลอยนี้จะไม่ได้รับประโยชน์จากเพชรพลอยเพราะธรรมชาติของไก่นี้ยเขาจะหาแต่ตัวนอนตัวไส้เดือนธรรมธรรมชาติของจิตของผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของลาบยศสันละสรสญของรูปเสียงเกตรถผลทพัะนั่นเอง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับ เ, เพชรกับตัวหนอนตัวไส้เดือนถ้าจิตใจเป็นประเภทไก่ก็จะเอาแต่ลาบยศสารนสนุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจิตใจเป็นประเภทที่ฉลาดเป็นมนุษย์ถ้าเห็นเพชรพลอยกับไส้เดือน ก็จะเอาแต่เพชพรพลอยเท่านั้นไส้เดือนไม่สนใจผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่จะเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอจะได้เก็บเอาเพชรเอาพลอยไปขายได้ไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆได้ ถ้าเอาตัวหนอนตัวไส้เดือนไปขายก็ขายได้ไม่ราคาได้ไม่มากราคาไม่มากแต่เพชรหรือพลอยเม็ดหนึ่งนี่อาจะได้ไส้ไส้เดือนตัวหนอนนี้เป็ น, เ ป, นเป็นแสนเป็นล้านตัวผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สองพวกด้วยกันพวกที่เป็นไก่หรือพวกที่เป็นมนุษย์ พวกที่เป็นไก่ก็ไม่สนใจที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเข้าก็เข้าไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงแต่ป้ายโฆษณาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นไปวัดก็ไปกราบพระพุทธรูปเนี่ยเห็นพระพุทธรูปก็ไปกราบกันกราบแล้วขออะไรก็ขอความสุขความเจริญในลาบยศสรรเสริญสุข ทางตาหูจมูกเล้นกายนี่เองก็ไปขอตัวนอนตัวไส้เดือนจากา พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนที่จะไปข อ, อเพชรขอพลอยก็ไปขอให้ได้ตำแหน่งนะให้ได้ร่าให้รวยให้เงินเดือนขึ้นให้มีรายได้มากขึ้นลงทุนแล้วขอให้ได้กำไรมากๆขอให้มีอายุยืนยาวนานจะได้มีความสุขไปนาน อันนี้แสดงว่ายังเข้าไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใบเข้าที่ป้ายโฆษณาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธรูปที่เราเห็นนี้เราไม่รู้หรอกว่านี่คือป้ายโฆษณาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาเห็นป้ายแล้วเราจะได้คิดถึงสินค้าที่เขาขายกันเราไม่ได้ไปซื้อป้ายสินค้าเวลาเราต้องการสินค้าเวลาเราเห็นป้ายโฆษณานี้ เราเห็นว่าเขา ก, กาลังขายสินค้าชนิดนั้นชนิดนี้พอเราต้องการสินค้าชนิดนั้นชนิดนี้เราก็จะได้รู้ว่าออมีที่ขายมีสินค้าชนิดเหล่านี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เราก็ไปแหล่งที่มีสินค้าเหล่านั้นด้วยด้วยป้ายโฆษณาเป็นผู้บอกทางเราเท่านั้นเองพระพุทธรูปที่เรากล่าวไหวกันก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธรูปแม่สาโดนบรันรดาน ความสุขความเจริญให้แก่พวกเราได้เราให้มีห้อยอยู่ที่ติดกับคอเอาติดตัวไปไหนตลอดเวลา24ชั่วโมงพระพุทธรูปก็ไม่สามารถที่จะผลิตสิ่งที่เราต้องการได้เพราะนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธรูปที่จะมาผลิตสิ่งที่เราต้องการกันพระพุทธรูปเป็นผู้ที่บอกให้เรารู้ว่า มีความสุขความเจริญที่ถาวรอยู่ในโลกนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าความสุขความเจริญที่ถาวรนี้อยู่ที่ไหนทำอย่างไรก็ให้ไปศึกษาคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือให้ไปหาพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษา ได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจนได้พบกับความสุขความเจริญที่ถาวรและครอบครองความสุขและความเจริญนั้นได้ตลอดเวลาให้ไปหาบุคคลเหล่านี้หรือไปหาคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นคำสั่งคำสอนที่ได้มีการจดจำมาในแต่ละยุคในแต่ละสมัยและได้มีการถ่ายทอดบันทึกลงไว้เป็นตัวอักษรตามลำดับจนปรากฏขึ้นมาอยู่ในตู้ของพระไตรปิฎกถ้าอยากจะรู้จากวิธีหาความสุขความเจริญที่แท้จริงที่ถาวร ต้องไปหาในตู้พระไตรปิฎกอ่านหนังสืออ่านพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงสอนไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่มีความสามารถพอที่จะค้นคว้าความรู้เหล่านี้จากพระไตรปิฎกได้เราก็อาจจะอาศัยผู้ที่สั่งสอนเราก็ได้ การได้ไปหาพระ อ, อริยสงสาวกนี้ท่านก็จะสั่งสอนธรรมะให้กับเราเหมือนกับการป้อนอาหารให้กับเราถ้าเราไปศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้เหมือนกับเราต้องตักอาหารกินเองต้องเลือกอาหารกินเองต้องเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มารับประทานถ้าเราไปหาพระ อ, อริยสงสาวกนี่ท่านจะเลือกอาหารที่เหมาะกับ ไวของเราแล้วก็ป้อนให้เราด้วยเราเพียงแต่อ้าปากแล้วก็เคี้ยวแล้วก็กลืนเท่านั้นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างการศึกษาจากพระไตรปิฎกกับการศึกษาจากพระอริยสงสาวกพระอริยสงสาวกนี่ท่านจะรู้ไวยของเราวายนี้ไม่ใช่วัยทางร่างกายแต่ไวัยทางจิตใจ จิตใจในี้ก็มีไวเหมือนกับจิตเหมือนกับร่างกายคือมีความรู้ความสามารถที่จะตอบที่จะรับอาหารอันโอชะของธรรมะได้ในรูปแบบไหนถ้าเป็นทารกก็ต้องรับอาหารเหลวก่อนพวกนมก่อนพอโตขึ้นมีมีฟันมีลิ้นมีฟันพอเคี้ยวพอกลืนได้ก็จะให้อาหารที่ ที่ที่ขบเคี้ยวได้ที่มีคุณภาพมีประโยชน์มากขึ้นอาหารเหลวนี้เหมาะกับเด็กทารกแต่พอโตขึ้นพอเคี้ยวอาหารได้แล้วเราก็ไม่กินอาหารเหลวกันเพราะมันให้คุณค่าอาหารน้อยกว่ากับอาหารที่เราขบเคี้ยกันนั่นเองถ้าเราได้ไปพบกับพระอริยรสงสาวกท่านจะก่อสอนธรรมะในระดับต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ไปศึกษาถ้าผู้ไปศึกษายังเป็นทารกอยู่ก็สอนวิธีปฏิบัติที่ง่ายก่อนพอผู้ที่โตขึ้นมีกำลังมากขึ้นก็สอนวิธีที่ยากขึ้นไปเพราะว่าการที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญที่ถารวรนนั้นก็เป็นเหมือนกับการศึกษา ที่มีหลายระดับด้วยกันมีระดับอนุบาลระดับปถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีโทเอกอันนี้เป็นระดับต่างๆในการศึกษาทางโลกในการศึกษาทางธรรมเพื่อนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้สร้างความสุขสร้างความเจริญระดับต่างๆนั้นก็เป็นเหมือนกันมีท่าน ที่ต่ำขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปที่สูงขึ้นไปที่มีความสุขความเจริญมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดผู้ที่จะต้องการที่จะไปพบกับความสุขความเจริญที่จีรังถาวรก็ต้องก้าวไปตามขั้นตามตอนตามวัยของตน ความสุขความเจริญที่จีรังถาวรนี้เราเรียกว่าความสุขความเจริญทางใจทางจิตทางใจไม่ใช่ทางโลกหรือทางร่างกายความสุขความเจริญที่ถาวรนี้เป็นความสุขความเจริญทางธรรมหรือทางจิตใจก็มีเป็นขั้นขั้นเหมือนกันจิตใจเหล่านี้จะพัฒนาเป็นขั้นขั้นขึ้นไป ขั้นที่เราอยู่นี้เราเรียกว่าขั้นของมนุษย์ขั้นเริ่มต้นของเรานี้คือขั้นของมนุษย์ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะสามารถมาเข้าโรงเรียนของพระพุทธศาสนาได้มาศึกษามาเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาจิตใจให้เกิดความสุขความเจริญที่สูงขึ้นไปตามลำดับขั้นที่จะก้าวจากขั้นมนุษย์ขึ้นไป ก็คือขั้นของเทวดาเป็นมนุษย์แล้วขั้นต่อไปก็ไปเป็นเทวดาการจะไปเป็นเทวดาก็ต้องอปฏิบัติทำสองข้อด้วยกันคือรักษาศีลห้าแล้วก็ทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอถ้าสามารถทำสองข้อนี้ได้ก็จะได้เครื่องเรื่อง เลื่อนจิตใจจากระดับของมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับของเทวดาของเทพถ้าตายไปก็เอาจิตระดับนี้ไปกับตนได้เอาความเป็นเทวดาเอาความสุขของเทวดาไปด้วยอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของการสร้างความสุขความเจริญถ้าเราทําบุญมาก รักษาศีลได้มากเทวดาก็มีหลายชั้นชั้นก็จะสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆตามกําลังของบุญที่เราทําตามกําลังของศีลที่เรารักษาศีล น, นี่ก็คือศีลห้าอพอเราได้เต็มขั้นของศีลเต็มขั้นของเทวดาแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสูงกว่านี้ อยากได้ความสุขความเจริญที่สูงกว่าชั้นเทวดาพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าให้ขึ้นมาเป็นศีลแปดแล้วก็เปลี่ยนจากการทําบุญทำทานมาเป็นการภาวนาแทนมาทําใจให้สงบมาเจริญสติทําใจให้สงบถ้าใจสงบเป็นฌานขึ้นมา ก็จะก้าวขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกจะเป็นจะไปเป็นพรหมเป็นพรหมตั้งแต่ยังไม่ตายจิตเป็นพรหมแล้วแต่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่อันนี้ก็จะมีหลายชั้นเหมือนกัน mm. พรหมก็มีสองสองระดับพรห ม, มโลกมีสองระดับระดับรูปประพรมกับระดับอรูปประพรมคือความสงบความสุข ที่ละเอียดต่างกันนั่นเองรูปประพรมนี้จะหยาบกว่าอารูปประพรมความสุขที่ได้จากรูปประพรมจะน้อยกว่าความสุขที่ได้จากอรูปประพรมแต่ความสุขจากรูปประพรมนี้จะมากกว่าความสุขที่ได้จากเทวดาความสุขที่ได้จากเทวดานี้จะมากกว่าความสุขที่ไดจากการเป็นมนุษย์ อันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างระดับของความสุขต่างๆความสุขของมนุษย์นี้ต่ำกว่าความสุขของเทวดาความสุขของเทวดาก็ต่ำกว่าความสุขของพรหมความสุขของพรห ม, ม, มนี้ก็จะต่ำกว่าความสุขอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าระดับของพระอริยเจ้าถ้าอยากจะก้าวขึ้นสู่ระดับของพระอริยเจ้า นอกจากการรักษาสิลนแปดหรือมากกว่านั้นแล้วก็ยังแล้วก็นั่งสมาธิเข้าฌานได้แล้วก็ต้องเจริญปัญญาอีกขั้นหนึ่งต้องมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความสุขนี้ความสุขที่จีรังถาวรที่จะไม่มีวันหมดนี้เกิดจากการรักษาความสงบที่ได้จาก การเข้าสมาธิเข้าฌานการที่จะรักษาก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นผู้ที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากการเข้าสมาธิผู้ที่จะมาทำลายคว า, ความสงบที่ได้จากการเข้าสมาธิก็คือความอยากต่างๆนี้เองตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเวลาเกิดตันหาขึ้นมานี้ ใจที่สงบนี้ก็จะกระเพิ่มขึ้นมาอจะเริ่มกระวนกวายเริ่มกระสับกระสายเริ่มมีความรู้สึกหงุดหงิดนำคาญขึ้นมาถ้าอยากจะให้ใจกลับไปสงบก็ต้องระ ง, งับความอยากที่โผล่ขึ้นมาการจะระ ง, งับความอยากที่โผล่ขึ้นมาได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นมัน เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะทำให้ใจทุกข์ต่อไปเวลาสิ่งที่อยากได้มานั้นหมดไปหรือจากใจไปเพราะสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าเป็นรูปร่างของคนก็ต้องเห็นว่าไม่สวยไม่งามถ้ามองแต่ภายนอกของร่างกาย ก็จะหลงรักหลงชอบได้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาได้แต่ถ้ามองเข้าไปข้างในภายในของร่างกายเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังก็จะทำให้ความอยากได้ร่างกายของคนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติมาเป็นคู่ครองก็จะหายไป ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นใจรักให้เห็นอสุภาพถ้าเป็นเรื่องของร่างกายที่สวยงามที่อยากได้ถ้าเป็นอาหารที่หน้าอรเลหลดน่าดูน่ากินน่าชมเห็นแล้วน้ำลายไหลก็ต้องดูอาหารตอนที่มันไม่น่าดูน่าชมตอนที่มันเข้าไปในปากขบเคี้ยวผสมกับน้ำลาย หรือเข้าไปรวมกันอยู่ในท้องอาหารชนิดต่างๆที่เราเกินเงินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ต้องรวมกันเข้าไปอยู่ในท้องแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องออกมาจากร่างกายเราท่านสอนให้ดูอาหารแบบนี้ถ้าอยากจะดูแล้วไม่อยากกินอาหารต้องดูตอนที่มันอยู่ในปากลองคายมันออกมาดูดูซิว่าอยัางจ ะ, จะตักกับเข้าไปกินหรือเปล่า หรือดูตอนที่อาเจียนออกมาหรือตอนที่มันถ่ายออกมาอันนี้เป็นอาหารทั้งนั้นนี่คือวิธีแก้ตันหาความอยากในอาหารที่จะมาทาลายความสุขความสงบที่ได้จากความสงบนี่คือขั้นปัญญาขั้นวิปัสสนาที่จะทำให้ความสงบที่ได้จากการเข้าสมาธินี้เป็นความสงบที่ ฐานที่ถาวอนเป็นความสุขที่ถาวอนไม่ต้องกลับมาคอยเข้าสมาธิอยู่เรื่อยความสุขที่ได้จากการเป็นพรหมความสุขที่ได้จากการเป็นเทพนี้ยังหมดกำลังได้บุญที่ส่งให้ขึ้นไปเป็นเทวดาบุญที่ส่งให้ขึ้นไปให้เป็นพรหมนี้ก็จะเหมือนเดียบน้ำมันรถยนต์ที่เราเติม เราน้่มันเต็มถังแล้วเราก็ขับไปไหนมาไหนเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วน้ำมันก็ต้องหมดหมดเราก็ต้องไปจอดแวะตามสถานีบริการโลกของมนุษย์นี่นละคือเป็นสถานีบริการที่เรามาเติมบุญกันเราเคยเติมบุญด้วยการทำทานรักษาศีลห้าพอเราตายไปเราก็ไปเกิดเป็นเทวดากันพอบุญที่ส่งให้เราไปเกิดเป็นเทวดาหมดกำลัง เราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเติมศีลห้าเกิดมาทำบุญทาทานใหม่ผู้ที่เคยเป็นเทวดาแล้วมักจะกลับมาเป็นเทวดาต่อเพราะมันจะเป็นนิสัยคนที่เคยทำบุญทาทานคนที่เคยรักษาศีลห้าเวลาตายไปไปเป็นเทวดาพอบุญที่ส่งให้เป็นเทวดาหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเติมบุญใหม่ ก็จะกลับมาทำบุญทาทานใหม่กลับมารักษาศีลห้าใหม่ถ้าทำถ้าทาติดเป็นนิสัยแล้วจะเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่เป็นนิสัยนี่ยังมีโอกาสพลิกได้ถ้ากลับมาเกิดเป็นเทวดาเกิดไปอยู่กับครอบครัวหรือกับกลุ่มที่เขาไม่ชอบทำบุญไม่ไม่รักษาศีลก็อาจจะถูกเขาดึงให้ไปทำตามเขาได้ให้ไปทำบาปให้ไป ไม่รักษาศีลให้ไปลักขโมยให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ชีวิตก็จะพลิกได้จากการเจริญก็กลับจะเป็นการเสื่อมไปก็ได้นี่อยู่ที่การกระทำบุญที่เคยทำนั้นทจะติดเป็นนิสยัยรือย่างถ้าติดเป็นนิสยัยแล้วมักจะไม่มีใครมาเปลี่ยนได้ถึงแม้จะมาเกิดในครอบครัวที่ทำบาป ที่ไม่ทาบุญแต่จิตใจที่มีนิสัยรักการทาบุญรักษาการมีนิสัยรักษาศีลนี้ก็มักจะไม่ทาตามเขาถ้าทําตามก็อาจจะเป็นเพราะว่าถูกบังคับให้ทําแต่ก็จะไม่ได้ทําด้วยความยินดีอันนี้พอมีโอกาสที่จะแยกออกจากสังคมนั้นได้ก็จะแยกออกทันทีจะไปอยู่สังคมที่มีการทําบุ ญ, บญทาทานมีการรักษาศีล พอนี่คือเรื่องของจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าทำอะไรติดเป็นนิสัยแล้วมันจะไม่เปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนมันก็ยากไม่ว่าจะเป็นนิสัยไปไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตามยังเปลี่ยนได้แต่มันเปลี่ยนยากถ้ามันเป็นนิสัยยิ่งถ้าเป็นสันดานนี้แทบจะเปลี่ยนไม่ได้เลยนี่คือทำไมการทำบุญการหาความสุขทางจิตใจมันจึงเป็น ความสุขที่ความสุขความเจริญที่ถาวรถ้าเคยเป็นเทวดาแล้วมันมันกจะเป็นเทวดาต่อไปคนเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราจึงมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันมีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบเข้าวัดเข้าวา่าชอบทำบุญทาทานลากษาศีลบางคนก็ชอบนั่งสมาธิ บางคนก็ชอบฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้เกิดปัญญาขึ้นมาบางคนก็ไม่ชอบเข้าวัดเข้าอาชอบเข้าบาร์เข้าบ่อนชอบเข้าโรงภาพยนต์ชอบไปตามศูนย์การค้าชอบไปช็อปปิง้งชอบไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็เป็นนิสัยของแต่ละคนว่าได้พัฒนาจิตใจไปในทางไหนนั่นเอง แต่พัฒนาจิตใจไปทางลาบยศสรรเสริญไปทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มักจะไปทางนั้นพวกนี้มักจะไม่ชอบเข้าวัดเท่าไหร่เพราะการเข้าวัดนี่มันเป็นเหมือนกับการขัดจังหวะของการไปสร้างความสุขความเจริญทางลาบยศสรรเสริญสุขกันถ้าต้องการเงินทองมากๆเข้าวัดมันก็ถูกดูดออกไปต้องมาทําบุญต้องเสียเงิน ผู้ที่ต้องการเงินทองมากๆต้องการความเจริญในในเรื่องของการเงินการทองก็ไม่อยากจะเข้าวัดเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทองเสียทั้งโอกาสโอกาสที่จะได้เงินทองเพิ่มขึ้นก็เสียไปตอนที่ต้องมาวัดแล้วนอกจากเสียเงินทองที่จะได้แล้วยังเสียเงินทองที่มีไปอีกก็ต้องควักกระเป๋าออกมาทำบุญอีกก็เลยมักจะไม่ค่อยชอบเข้าวัดกัน ปกติมินิสัยที่อยากจะเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะณฑ์นี่จะไม่ชอบเข้าวัดกันจะไม่ชอบทำบุญทำทานไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบนั่งสมาธิไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมกันชอบไปหาเงินทองกันชอบไปหาตำแหน่งกันเห็นไหมตอนนี้วางแผนกันว่าจะเอาตำแหน่งอะไรกันมั่งปีหน้านี่เริ่มวางแผนงา้นตั้งแต่ยังไม่ ถึงเวลาเพราะถ้าไม่วางแผนเดี๋ยวถึงเวลาทำไม่ทันเรือนนี้ต้องวางแผนนะเดี๋ยวต่อไปจะต้องมีการเลือกตั้งเลือกตำแหน่งกันละจะเอาจะหาเสียงอย่างไรจะหาตำแหน่งอย่างไรต้องวางแผนกันล่วงหน้าก่อนลแล้วแล้วเวลาจะมาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมมันจะมีที่ไหนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะใจมันก็ฟังไปแต่ หูก็ฟังไปใจมันก็คิดถึงวิธีการหาตาแหน่งหาลาบหายศกันอยู่อย่างนั้นนี่แหละคือถ้าจิตใจมันปีนิสัยไปกับการหาความสุขความเจริญแบบชั่วคราวมันก็จะติดเป็นนิสัยไปกลับมากี่ภบกี่ชาติมันก็จะกลับมาหาความสุขแบบชั่วคราวกันหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญเวลาไดมาก็ ร่ำรวยกันเป็นใหญ่เป็นโตกันแต่เวลาตายไปนี่ก็ลบไปหมดเลยกลับไปที่ศูนย์แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาเกิดที่ศูนย์แล้วก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แต่ความสุขความเจริญทางจิตใจนี้ไม่ถูกลบออกไป ทำบุญทำทานรักษาศีลเป็นปกติเป็นนิสัยเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายไปไปเป็นเทวดาพอพอบุญที่ให้ไปอยู่เป็นเทวดาหมดก็มาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็ยังเป็นเทวดาในร่างกายของมนุษย์หนึ่งยังมีนิสัยเป็นเทวดาอยู่ยังกลับมาทำบุญทำทานต่อไปรักษาศีลต่อไป แล้วก็จะพยายามพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นต่อไปผู้ที่รักษาศีลห้าได้แล้วทําบุญทําทานได้เป็นปกติแล้วทีนี้ก็อยากจะขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงกว่านั้นเพราะขั้นที่สูงกว่ามีความสุขมากกว่านั้นเองถือศีลแปดนี้มีความสุขมากกว่าถือศีลห้าถือศีลแปดนี้มีโอกาสมีเวลาที่จะไปสร้างความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิได้ ถ้าือศีลห้านี้ยังไม่มีกำลังที่จะห้ามจิตใจไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เพรอศีลห้ายังไม่ห้ามไม่ให้ยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองแต่ท้อพอถือศีลแปดนี้ถูกห้ามแล้ห้ามหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนัห้ามนอนหลับกับแฟนนะศีลก็สามของศีลห้าก็เปลี่ยนมาเป็นอพ ร, รมมัจรลิยา จากกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีก็มาเป็นอะบ ร, ร, ม, ระมัจริยาเวรมณีศีลห้านี้อนุญาตให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนได้แต่ถ้าเป็นศีลแปแล้วนี้ให้ยุติให้ระงับการหาความสุขทางร่างกายการรับประทานอาหารก็ให้รับประทานพอเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้รับประทานเพื่อเป็นการให้ความสุขกับใจ ด้วยการรับประทานตามความอยากก็จะไม่ให้รับประทานมากเกินไปรับประทานได้เพียงครึ่งครึ่งวันเท่านั้นหลังจากครึ่งวันก็พอแล้วอาหารที่เอาไปหล่อเลี้ยงร่างกายนี้มีเหลือเฟือแล้วร่างกายไม่ตายแน่นอนได้จะรับประทานอาหารวันละมือสองมือก็พอแต่ถ้าถือศีลห้านี้ยังรับประทานต่อได้ หลังจากกลางวันแล้วเห็นขนมตอนบ่ายก็ยังกินได้ตอนเย็นอยากจะรับประทานต่อก็รับประทานได้ก่อนจะนอนก็รับประทานอีกครั้งก็ได้ถ้าถือศีลห้านี้ไม่ห้ามแต่ถ้าถือศีลแปดนี้จะห้ามกิจกรรมเหล่านี้เพื่อที่จะได้เอาเวลามาหาความสุขในระดับที่สูงกว่าการกินการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง ก็คือการทําใจให้สงบมาเจรันสติพุทโธพุทโธควบคุมความคิดความอยากต่างๆนั่งเฉยๆหลับตาให้ใจจดจ่ออยู่กับลมอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นพุทโธพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่ ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลกินธธ่นรสผลถะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นความสุขระดับชั่วคราวเวลาออกจากสมาธิมาความสุขนี้ก็จะค่อยจางหายไปถ้าไม่รักษาไว้ด้วยสติหรือปัญญาถ้าอยากให้ความสงบที่ได้จากสมาธิยังอยู่ต่อเวลาออกจากสมาธิก็ต้องพุทโธต่อถึงแม้ไม่ได้นั่ง ก็ต้องพูดโท ต, ต่อต้องควบคุมใจต่อต้องไม่ให้ใจไปคิดปุงแต่งต่างๆไม่ให้ใจไปเกิดความอยากขึ้นมาเพราะถ้าเกิดความอยากขึ้นมาแล้ว<อ>ความสงบนี้จะถูกทาลายไปทันทีความรู้สึกกะวลกวังวยกะสับกะสายความหงุดหงิดําคาญใจต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะให้ความสงบนี้อยู่ต่อไป ถ้าถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติรักษาไปก่อนถ้าถ้ารู้จักใช้ปัญญาก็เอามาพยายามกำจัดความอยากด้วยการพิจารณาตายลักในสิ่งที่ใจอยากได้รือพิจารณาอสุภะในบุคคลที่ใจอยากได้รือพิจารณาความสกรปรกไม่น่าดูของอาหา ร, หรเวลาที่อยากจะรับประทานอาหารนอกเวลานอกเวลาที่ จะต้องรับประทานให้ทำอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะรักษาระดับและพัฒนาสูงขึ้นได้ผู้ที่ใช้อนิจังทุกขังอนัตตาได้ก็จเลื่อนระดับจากสวรรค์ชั้นพรหมไปสู่สวรรค์ชั้นอริยะจาาเกินไปสู่ระดับโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีอราหันต์ไปตามลำดับ พอไปถึงขั้นอรหันแล้วนี้จิตก็จะเข้าสู่ระดับที่ไม่ต้องกลับมาเติมน้ำมันอีกต่อไปน้ำมันที่เติมบุญที่เติมนี้จะไม่มีวันหายไปจะอยู่ภายในใจจะเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจตลอดเวลาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องมาสร้างบุญไม่ต้องมาทำบุญมารักษาศีลมานั่งสมาธิกัน เพราะว่าสามารถรักษาผลที่ได้จากการทำบุญทำทานรักษาศีนั่งสมาธิให้คงไว้อยู่ในใจได้ด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบพอได้ปัญญาแล้วทีนี้ก็สามารถที่จะรักษาความสงบความสุขความเจริญที่ได้พัฒนาขึ้นมาตามลาดับแต่ละขั้นแต่ละชั้นให้คงอยู่ต่อไป จึงไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปก็จะอยู่ที่สวรรค์ชัน้นนิพพานนิพพานนี่ก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านอยู่กันประทับกันนี่ครับนี่คือความสุขที่จีรังที่ถาวรถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังต้องกลับมาเติมน้ํามันอยู่ถ้ายังเป็น เทวดาก็ต้องกลับมาเติมบุญของเทวดาถ้าเป็นพรหมก็กลับมาเติมบุญของพรหมถ้าเป็นพระโสดาบันก็กลับมาเติมบุญเพิ่มให้ไปเป็นพระสกิดาคามีถ้าเป็นพระสกิดาคามีก็มาเติมเพิ่มให้ไปเป็นพระอนาคามีถ้าเติมเพิ่มอีกทีก็เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ท่าน บอกว่าจะกลับมาเติมบุญไม่เกินเจ็ดครั้งก็จะสามารถเคลื่อนขึ้นไปสู่ขั้นพระสกิดาคามีได้หรือสูงกว่านั้นได้ถ้าได้ขั้นพระสกิดาคามีก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงครั้งเดียวเพื่อมาเติมบุญให้ขึ้นสู่ขั้นพระอนาคามีหรือขั้นพระอาหารหันต์ถ้าได้ขั้นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเติมบุญในโลกมนุษย์อีกต่อไป แต่ยังต้องแวะเติมอยู่ที่โลกของพรหมโลกอยู่พอพอได้เติมบุญในระดับพรหมโลกแล้วก็จะเข้าสู่ระดับพระอาหารหันต์ได้ต่อไปพอได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วทีนี้ก็บุญก็เต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมดเพราะตัวที่มาทำลายนี้ถูก กำจัดไปหมดนั่นเองตัวที่จะมาทําลายบุญที่เกิดจากความสงบนี้จะถูกปัญญาทําลายไปหมดคือความอยากต่างๆความโลภต่างๆจะไม่มีภายในใจของพระอารหาันต์ก็เหมือนกับถังน้ํามันที่มีรอยรั่วถ้าเราเติมน้ํามันแล้วถังมันรั่วเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวน้ํามันก็หมดก็ต้องแวะเติมอยู่เรื่อยๆ พอเราไปเข้าอู่ให้ช่างเขาเช็กดูก็บอกว่าถังน้ำมันมันรั่วเราก็มาอุดรอยรั่วเสียเท่านั้นเองเพออุดรอยรั่วได้เนี่ยทีนี้เติมน้ำมันแล้วมันก็จะไม่รั่วจิตใจของเราความสุขที่เราได้จากการพัฒนาจิตใจในแต่ละขั้นเนี่ยมันหมดเพราะความอยากความอยากมันเป็นรอยรั่วทำให้บุญที่เราได้จากการเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจา้า ขั้นต่างๆที่ต่ำกว่าขั้นพระอาหารหันนียมันยังหมดได้มันยังเสื่อมได้ต้องมาเติมอยู่เรื่อยๆแต่ระดับของพระโสดาบันนี่ไม่เสื่อมแต่มันยังไม่เต็มโสดาบันยังไม่เต็มสกิดาคามียังไม่เต็มอนาคามียังไม่เต็มต้องเป็นพาาาระอรหันถึงจะเต็มนี่คือการหาความสุขความเจริญที่แท้จริง ต้องหาความสุขความเจริญทางจิตใจอย่าไปหาความสุขความเจริญจากราบยศจลรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเพราะมันเป็นความสุขความเจริญชั่วคราวบางทียังไม่ทันตายเลยมันก็หมดไปก่อนก็ได้คนที่ต้องฆ่าตัวตายก็เพราะว่าไปพบกับความเสื่อมของความสุขความเจริญก่อนที่จะ ก่ที่จะตายนั่นเองมันก็เหมือนเป็นคนตายนะเพราะคนเรานี่อยู่กันก็อยู่ด้วยลาบยศสารเสริญอยู่ด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไก่นี่เองพอสูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงอยู่ไปก็ไม่มีความสุขก็ค่าตัวตายดีกว่า น, นี่คือเรื่องของความสุขความเจริญทางโลกมันเป็นความสุขความเจริญชั่วคราว เราไม่ควรที่จะไปหลงไหลกับมันพบนี้ชาตินี้เราโชคดีเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สอนให้พวกเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรคือความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทานและรักษาศีลดังนั้นขอให้ท่านจงหันมาหาความสุขแบบเจริญแบบถาวรดีกว่าด้วยการทำบุญทาทานรักษาศีลและภาวนาไป แล้วเราจะได้ความสุขที่ถาวรต่อไปวันนี้ต้องรูบลัดหน่อยเพราะเทวดามาไล่แนละ้วเดี๋ยวกลัวฝนจะตกงั้นก็ขอยุติการสแสดงไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากขลงเอวเมวะอิตทินังเปตานังอ an ุปกาปติ อิติตังปัตติตังตุมหังทิปะเมวะสะมิทจโตสัะเภปุเรนโุสังคะปาจันททปนะระโสยะธามณีโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวาจันโุสัพพโรโขวินาสสตุ มาเตภวัตวันตารโยสุขีธีกายุโกภวะนพิวาธนสีลิตสานิจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวะโนสุขังปลั